แล้วก็คงจะหนาวแบบนี้หรือว่าหนาวกว่านี้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนที่สูงแล้วเราเดินบันแรกนะจากเมืองแล้วก็ทวนกระแสน้ำลำปะทาวขึ้นมาเรื่อยๆก็เข้าสู่ งาแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาบนปากเขาตัวเราก็ตอนนี้ก็มาอยู่บนที่สูงแต่ก็เชื่อว่าการปฏิบัติของเราตลอด3ามสวันที่ผ่านมาก็คงจะมีส่วนช่วยให้ใจของเราที่สูงขึ้นด้วย นะการปฏิบัติด้วยการเดินธรรมยตรามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ช่วยลนล ง, ลงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมนะแต่มันยังมีส่วนช่วยฝึกหัดขัดเกลาใจิตใจของเราการทวนกระแสแค่ ทวนกระแสน้ำแต่ขอให้เป็นการทวนกระแสกิเลส ด, ด้วยเวลาทวนกระแสน้ำเนี่ยเราก็จะขึ้นสู่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าต้นน้ำมักจะอยู่บนเขาแต่ถ้าเราเดินทวนกระแสกิเลส ด, ด้วยและไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นที่จะอยู่ บนที่สูงแต่ใจเราก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นใสขึ้นด้วยเช่นเดียวกับน้ำในลำห้วยก็จะเริ่มใสขึ้นใสขึ้นขุนน้อยลงนะใจเราก็จะขุนน้อยลงตามไปด้วยนั่นคือรางวัลของการทวนกระแสแม้มันจะเหนื่อยเพราะว่าเราต้องต้านแรงโน้มถ่วงแต่ว่า ยิ่งสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะธรรมชาติก็จะเขียวกระจีนะป่าก็จะเห็นได้มากขึ้นน้ำก็จะใสขึ้นคุณน้อยลงการทวนกระแสกิเลสก็เหมือนกันกิเลสนี้อาจจะหมายถึงความติดสบายหรือว่าความขี้เกียจ ความเห็นแก่ตัวแต่เมื่อเราเดินทวนกระแสะกิเลสไปเรื่อยๆใจเราก็จะเบาก็จะโปร่งมากขึ้นจะมีหลายอย่างเข้ามากระทบกับเราเช่นอากาศความหนาวมันก็ธรรมดาบนที่สูงอากาศก็หนาวเย็นกว่าข้างล่างนะแต่ว่ามันก็เป็น ของดีที่จะฝึกใจของเราได้ลองดูใจของเรานะอย่าไปดูอย่าไปจมอยู่กับอารมณ์ดูใจของเราว่ามันมีความทุกข์มันบ่นแค่ไหนเวลาเจออากาศหนาวใจมันดิ้นไหมใจมันดิน้นใจมันบ่นไหมเวลาเจอความหนาว ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูใจนะเผลอไปบน่นเผลอดิ้นนะตามตามอารมณ์ของตัวแต่ถ้าเราลองสังเกตดูใจของเรานะมันจะเห็นอาการนี้แล้วพอเห็นแล้วนี่มันก็จะหยุดดิน้นและเป็นปกติปล่อยให้ความหนาเป็นเรื่องของกายไป แต่ใจก็เป็นปกติได้แั้วนี่เป็นโอกาสดีที่จะฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางความหนาวเคยทำบ้างไหมปล่อยวางความหนาวให้ความหนาวก็เป็นเรื่องของกายไปแต่ใจนี่ก็เฉยๆอาจจะก็เพิ่มขึ้นบ้างก็ธรรมดาก็เพิ่มขึ้นเขาก็ให้รู้ทำนองเดียวกับเวลาเจอแดดแดด มากายรอดใจก็ป่นใจก็วอยวายใจก็ทุกข์แต่พอเรามีสติใจมันก็วางหามดูใจดูใจดูเอากับกิริยาของใจนอันนี้เป็นการบ้านที่อยากจะช่วยให้เราได้ทดลองทำนะความหนาวในยามเช้ามืด กับความร้อนในเวลากลางวันอันนี้เป็นธรรมดามีมาก่อนที่เราจะเกิดแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือใจที่มันกระเพิ่มนั่นแหละใจที่มันยินร้ายใจที่มันปวดใจที่มันวอยวายนี่แหละคือความไม่ธรรมดาของจิตธรรมดาของจิตคือปกติต่อไปทุกกับความธรรมดาของดินฟ้าอากาศ ให้ลองทำให้ใจของเราเป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่บ้างแล้วเราก็จะรู้ว่าความหนาวความร้อนนี่มันก็เป็นแค่เรื่องของกายนะไม่ใช่เรื่องของใจมันเมื่อวานนี่ก็มีเพื่อนมาร่วมเดินกับเรานะเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีมาเพิ่มเรื่อยๆโดยเฉพาะพรุ่งนี้ไอ้คน อาจจะเพิ่งรู้จักกันแต่ก็ให้ระลึกว่าเราไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้าที่นี่ธรรมญาตราไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักนะอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ได้อาจจะเป็นชาติที่แล้วก็ได้ก็เลยทำให้เราได้มาเจอได้มาพบกันอีกในชาตินี้แต่ถึงไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย เพียงแค่มาร่วมเดินกับเราก็ถือว่าเป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักมิตรกันแล้วนะก็ขอให้เราดูแลใจใสกันด้วยมาญาติราเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะเป็นทิพย์พึ่งได้มากเท่ากับความเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกัน พวกเราทุกคนสามารถจะอยู่รอดได้ตลอด8วันโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่สลึงเดียวเราก็ยังมีข้าวกินนะบางที่ก็มีขนมกินด้วยเราอาจจะมีน้ำหวานนะได้มาจากไหนก็ได้มาจากความเอื้อเฟื้อความเอื้อเฟื้อของผู้คนสองข้างทางความเอื้อเฟื้อของผู้คนที่อยู่ไกล ที่ผูษสัขับรถมาถูกประทับเราเราก็หล้วยความเอื้อเฟื้อของพวกเรากันเองด้วยนะน้ำใจของผู้คนรอบข้างและน้ำใจของผู้คนรอบตัวในธรรมยารานเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราอยู่รอดได้ ไม่ใช้เงินนะความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่อยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันนะต่อเติมนะให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นพรั่งพร้อมมากขึ้นเราไม่มีความพรั่ง พ, พร้อมทางวัตถุความสะดวกสบายแต่เราสามารถจะมีความ พ ร, พร้อมร่ํารวยในเรื่องของน้ําใจและความเอื้อเฟื้อกันได้ธรรมยัตรานี้เราไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่ต่อธรรมชาติหน้าที่ต่อธรรมชาติคือการรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติที่ดูแลเรามาตั้งแต่เกิดอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราควรทําและเราก็ไม่ได้มีแค่ หน้าที่ต่อตัวเองที่จะต้องดูแลรักษากายและใจให้ดีเท่านั้นแต่เราต้องดูแลมิตรสหายในธรรมญาตราด้วยต้องดูแลกันคอยช่วยเหลือกันนึกถึงกันและกันไม่ว่าเวลาเดินกลางแดดไม่ว่าเวลาแบ่งปันอาหาร เรานึกถึงกันมันก็ช่วยทําให้การเดินนั้นเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าน้ําใจนั้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้ความร้อนแรงของดินฟ้าอากาศเนี่ยมันทุเลาลงเวลาเหนื่อยๆนยะได้มีเพื่อนมาหาน้ำใหเรากินบางทีเพื่อนก็อาจจะมีน้าไม่มากก็แบ่งให้เรากินหรือว่า ไตยถามทุกสุขของเราอันนี้คือน้ำใจที่ช่วยฉโลมใจให้หายร้อนจนะจะไม่ได้ช่วยชโลมกายให้หายร้อนเท่าไหร่แต่มันฉโลมใจนะให้สดชื่นและนี่แหละคือเสน่ห์ของธรรมยาราที่ทำให้หลายคนเมื่อเสร็จสิ้นการเดินแล้วก็ยังจดจำลําลึกได้ แล้วก็อดไม่ได้ที่จะหวนกลับมาไม่ไม่ไม่มาเพื่อที่จะซึมซับหรือว่ารับเอาน้ำใจจากคนอื่นเท่านั้นแต่เพื่อที่จะแบ่งปันน้าใจให้แก่เพื่อนใหม่ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสาคัญนะสำคัญต่อต่อตัวเราเองทุกคนด้วย มันเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่มีชีวิตที่มีคุณค่าเท่านั้นแต่ว่ายังทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นด้วยการที่ช่วยเหลือเกือเก้อกูลพู้อื่นเนี่ยมันเป็นหลักประกันแห่งความสุขของตัวเราเองคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยจะทุกข์ง่ายสุขยาก แต่คนที่เห็นแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอนะจะทุกยากสุขง่ายเวลามีอะไรมากระทบเรามีความทุกข์เรามีความเจ็บปวดแต่พอนึกถึงคนอื่นให้ความเจ็บปวดของเรากลายเป็นเรื่องเล็กเคยได้ฟังเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบชื่อน้องโยเป็นผู้ชายวันหนึ่ง ป้าก็ชวนน้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนองครปฐมปรมปากว่าเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนรถมอเตอร์ไซค์ก็พังยับเยินป้านี่แขนหักส่วนน้องโยนี่ขาเลกไปข้างหนึ่งก็รีบนำส่งโรงพยาบาลตลอดทางนี่ป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยนี่ไม่ร้องเลย จนถึงห้องผ่าตัดน้องโยก็ไม่ร้องขณะที่ป้านี่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดผ่าตัดเสร็จหมอก็ถามน้องโย ว, ว่าทำไมน้องโยไม่ร้องไห้ไม่ร้องปวดไม่ร้องครว่นครางน้องโยบอกสั้นๆบอกว่ากลัวป้าเสียใจครับน้องโยคิดถึงป้าเห็นป้านี่ร้องเพราะขาขาแขนหัก ก็ไม่อยากซ้มเติมความทุกข์ของป้าถ้าน้องโยร้องน้าป้ายิ่งเจ็บปวดหัวใจน้องโยก็ชลาและเจ็ดขวดนี่เขาก็คิดได้นะพอคิดถึงป้าเนี่ยคิดถึงความเจ็บปวดของป้าก็ทำให้มีความอดทนอดกลั้นความเจ็บปวดของตัวเองกลายเป็นเรื่องเล็กไปทั้งที่น้องโยนี่อาการหนักกว่าป้า ขาเล็กไปข้างหนึ่งน้องโยเป็นคนอารมณ์ดีผ่าตัดแล้วก็ยังเตือนกับเพกกระเพกเมาที่โรงพยบบาบาลก็ยังก็ยังไม่ได้อนาถถอนไม่ได้คิดไปเลยว่าโอ้ยฉันจะเป็นยังไงถ้าโตขึ้นมาแล้วยังขากระเพก อ, อย่างนี้พิการอย่างนี้จะหาแฟนได้ไหมไม่ไมคิดเลยนะเด็กนี่เขาไม่ได้คิดมากเพราะนั้นเนี่ยความทุกข์ใจก็เลยน้อยก็มีแต่ความทุกข์กายที่ต้องจัดการ ถ้าคนเราพอคิดถึงคนอื่นนะจะเป็นการคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงป้าหรือคิดถึงเพื่อนคิดถึงคนที่ทุกข์ยากหรือคนที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยมันช่วยทําให้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กมีคนหนึ่งอันนี้ก็มีบาทหลวงท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนอาตมาวันนึงท่านก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์ซึ่งเป็นนักศึกษา อายุยังไม่มากเลยแค่17เจนะอดจจะปีหนึ่งได้ซ้ำเป็นโรคพุ่มพวงแล้วก็คือมีอาการแพ้แพ้ภูมิต้านทานของตัวเองภูมิต้านทานมันก็ทำลายอาวัยวะต่างๆอาการหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วปวดมากพาตต่ก็ผาไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องเลือดอวัยวะภายในก็พองโต ผู้หคนนี้เนี่ยก็พอเห็นหน้าคุณพอ่อบาทหลวงท่านนี้ก็ตัดพ่อขึ้นมาว่าทําไมพระเจ้าทําให้หนูเป็นอย่างนี้บาทหลวงท่านนี้ก็ตอบว่าพ่อก็ตอบไม่ได้นะแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณทําก็คือว่าให้สวดมนต์ถึงพระเจา้าแล้วก็ให้สวดมนต์แผแ่เมตตาให้กับคนป่วยเพื่อนที่อยู่ในในห้องเดียวกัน เป็นวอดผู้ป่วยเป็นหอผู้ป่วยเนี่ยให้ส่วนมนต์แผ่เมตตาถึงเขาด้วยแล้วคุณพ่อก็เอารูปประคำมาให้แล้วก็มาเยี่ยมทุกวันทุกวันสีหน้าของเด็กของผู้หญิงคนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆหน้าตาแช่มชื่นขึ้นเรื่อยๆมีรอยยิ้มเลิกบน่นเลิกตัดพอไปเยี่ยมได้สีห้าวันก็ คุณพ่อก็ไปต่างจังหวัดไปอีสานไปเป็นเดือนเลยกลับมาก็รีบไปเยี่ยมลูกศิษย์ทันทีแต่ปรากฏว่าเธอเสียชีวิตแล้วแต่สิ่งที่แปลกใจคือว่าคนไข้ที่อยู่ในหอผู้ป่วยเดียวกันเนี่ยต่างอยากจะถามประวัติว่าคนนี้เป็นใครเพราะเขามีความชื่นชมเขามีความประทับใจมากกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่า เขาเล่าว่าแม้จะป่วยหนะักก็ยังอุตส่าห์เดินมาเยี่ยมตามเตียงต่างๆนะคอยช่วยเหลือตักน้ำหาน้ำให้แลนะบางทีเขาประคองไปห้องน้ำหลายต่างๆเป็นต้นคนไข้หลายคนก็อาการตักน้อยกว่าเธอด้วยซ้ำแต่เธอก็มีน้ำใจมาคุยให้กำลังใจนะคนก็ประทับใจมาก แล้วเขาว่าตอนที่เธอเสียชีวิตเนี่ยนะก็ไปอย่างสงบไม่ได้ทุรนทุรายอะไรเลยอันะพี่กับวันแรกที่บาทหลวงท่านนี้เห็นแค่เครียดมากทุกมากนะตัดพ่อต่อว่าพระเจ้าแล้วก็ตัดพ่อต่อว่าชะตา ก, กรรมนะแต่พอนึกถึงคนอื่นตามคําแนะนําของท่านนี่ความทุกข์ก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะียอันนี้ เนี่ยคนเราพอเราพอเรามีน้ำใจเนี่ยนะต่อผู้อื่นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ความสุขแก่เขาเท่านั้นนะแต่มันแต่ความสุขที่เราให้กับเขาเนี่ยยังกลับคืนมานะสู่เราเองสู่จิตใจของเรานะดังความการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ย มองอย่างเห็นแก่ตัวก็คือว่ามันก็เป็นการากเกื้อกูลตัวเราเองด้วยเพราะพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าเนี่ยเคยเล่าถึงนิทานเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของนักกายกรรมสิทธิ์กับอาจารย์เขามีอาชีพด้วยการแสดงกายกรรมนะตัวลูกศิษย์เนี่ยต้องไปเลี้ยงตัวอยู่บน อยู่บนปลายไม้ปลายไม้อีกข้างหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนคอนะของอาจารย์แลาก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยขึ้นไปอยู่บนคนปลายไม้แล้วก็ตั้งเลี้ยงตัวนะก็เป็นกายกรรมอย่างที่เราเคยเห็นนะัในกายกรรมปักกิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงชีพได้ด้วยวิธีนี้ก็มีวันหนึ่งนะอาจารย์ก็บอกรู้สิกย์ว่า เมื่อเธอขึ้นไปอยู่บนปลายไม้แล้วเนี่ยก็ขอให้ดูแลกันและกันเธอดูแลฉันฉันดูแลเธอแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราต่างดูแลตัวเองแล้วเราก็จะอยู่ได้ด้วยกันก็จะปลอดภัยอยู่ได้ก็จะปลอดภั ย, ย, ลภยแล้วก็กลับมาอย่างสอดสดภาพคือลงมา สู่พืชได้นในในอย่างสอดสุิภาพและพระเจ้าก็เลยสรุปเรื่องนี้ให้เป็นข้อคิดว่าเมื่อรักษาตนก็ท่ากับรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนที่จริงก็ยังมีคําขยายความอีกเยอะแต่ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะรักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นท่าการรักษาตนอันนี้เป็นเป็น คติที่สำคัญมากสำหรับการเดินธรรมยาราและการเบือนชีวิตเวลาเราเรารักษาตนให้ดีเนี่ยนะคือเราไม่ส่งเสียงดังเดินด้วยความสงบแล้วเราก็ดูแลตัวเองดีๆขยะไม่ทิ้งเรลาดเพียงเท่านี้เนี่ยก็ช่วยคนอื่นช่วยธรรมยาราได้เยอะ ไม่ไปรบกวนเพื่อนที่เดินข้างๆเราที่เขาต้องการความสงบเขาต้องการเจริญสติเขาต้องการปล่อยวางจากความเจ็บความปวดทางกายนะมันต้องใช้ความต้องใช้สมาธิสักหน่อยนะสำหรับคนที่เพิ่งฝึกมันก็ไม่ไปสร้างความสร้างภาระให้กับเพื่อนๆที่เขาคอยเก่งขยะอยู่ข้างหลังนี่แค่รักษาตนนี่ก็รักษาผู้อื่นละ แค่ดูแลตนก็ช่วยดูแลผู้อื่นแล้วขณะเดียวกันถ้าเราช่วยดูแลผู้อื่นก็ช่วยรักษาตนนะรักษาตนช่วยทำให้เราเนี่ยนะมีความสุขช่วยทำให้เรามีความสบายไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจเท่านั้นนะแต่เรื่องอื่นด้วยมีทีมถ่ายทาสารคดีคล้ายๆทีมเมื่อวานเนี่ยก็ เ, เคยไปทำรายการ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่สองสวันวนคุ้นเคยกับชาว บ, บ้านวันหนึ่งก็มีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยถือปลามาพวงหนึ่งเดินผ่านมาก็เลยถามว่ า, าพวกหนูรู้ไหมทำยังไงถึงจะกินปลาพวงนี้ได้นานคนในกองถ่ายทำก็คิดกันคิดกันใหญ่ว่าทำยังไง เอาไปตากแดดบ้างละเอาไปหมักบ้างละไปทําส้มบ้างละเอาไปใส่ตู้เย็นบ้างละ่ะคุณป้าบอกว่าผิดหมดเลยคุณป้าบอกว่าต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านให้ทั่วถึงในความสูงของคนเมืองเนี่ยการไปแบ่งให้เพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ทําให้เรากินได้น้อยลงแทนที่จะกินได้สองวันก็อาจจะกินได้แค่มื้อเดียวแต่ว่าสําหรับคุณป้านเนี่ยมันไม่ใช่เมื่อเราไปแบ่งให้คนอื่นนะ เราก็จะมีกินได้นานเพราะว่าเมื่อชาวบ้านเขาเมื่อเพื่อนบ้านเขามีอย่างอื่นมาได้เขาก็มาแบ่งให้ข้อหาปลาไมาได้เขาก็มาแบ่งให้เขาได้ผลไม้มากองใหญ่ห่อใหญ่ก็มาแบ่งให้นี่คือวิธีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กันมานาน <c oughs> เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชาวบ้านนี่เขาจนนะเขาไม่มีเงินมีทองแต่เขามีอย่างหนึ่งคือมีความ มีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อและน้ำใจและความเอื้อเฟื้อนี่แหละที่ทำให้เขาอยู่ได้หลวงพ่อปัญญานันทานเนี่ยเล่าว่าตอนเป็นเด็กนะตอนเป็นเด็กอยู่แถวพัทลุงเนี่ยคือประมาณเมื่อร้อยปีที่แล้วบอกว่าเบือ่อตอนเด็กนี่เบื่ออย่างนึงเลยเบื่อที่สุดเลยเบื่ออะไรเบื่อที่ต้องเอาอาหารจากบ้านเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนบ้านพ่อพ่อเนี่ยแม่เนี่ยเป็นคนที่ มีน้ำใจเวลาได้อะไรมาฉันได้เนื้อมาได้ทุเรียนมาได้ทุเรียนมาก็จะม า, าทำน้ำทำน้ำกะทิห่อหม้อใหญ่แล้วก็ตักแบ่งให้เพื่อนบ้านก็เป็นหน้าที่ของเด็กชายปั่นเนี่ยคือหลวงพ่อปัญญานี่แหละตอนเด็กๆชื่อปัน่นต้องเอาอาหารเอาพวกขนมเนี่ยไปแจกให้เพื่อนบ้านทุกบ้านเลยนะ ได้ผลไม้มาก็ตัดก็ตัดแบ่งได้ปลามากองใหญ่ก็มาแบ่งเป็นกองเล็กๆแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านทำไมถึงเบือ่อเบื่อเพราะว่าเด็กอยากจะเล่นอยากจะสนุกอะ่ะแต่พ่อแม่เลียดนะให้ไปแต่ว่ามาร ล, ลึกได้ภายหลังว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้หมู่บ้านอยู่กันได้อย่างมีความสุขไม่มีเรื่องไม่มีราว ไม่มีเรื่องทะเลาะบอกแว่งกันนะเพราะว่าจะทะเลาะกันได้ยังไงนะเราจะทะเลาะกับคนที่เขามามีน้ําใจแบ่งปันอะไรให้กับเราได้อย่างไรนะหลวงพ่อเจ้าคุณโพธิลังสีที่เชียงใหม่ก็พูดเหมือนเหมือนการทำน้องเนี่ยบอกว่าชาวพันตธกอรเนี่ยเขาทาอาหารอย่างเดียวนะแต่ละบ้านที่ทําอาหารอย่างเดียว ถ้ากินอย่างเดียวนี่มันจะไม่เบื่อจะเบื่อได้ยังไงก็ชาวบ้านเพื่อนบ้านในบ้านอื่นเขาก็มีเขาก็ทําคนละอย่างเหมือนกันเสร็จ แ, แล้วก็มาแบ่งกันนะเอามาแบ่งกันทําอย่างเดียวนี่แต่มีกินได้หลายอย่างเพราะเขามาแบ่งกันนะถ้านะความเอื้อเฟื้อเกื้อ ก, ก, ก, กูลเนี่ยที่มันทําให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่กันได้นะอย่างมีความสุขและนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ธรรมญถาตาอยู่กันได้ยังมีความสุขถึงแม้ว่า การเดินทางจะลำบากถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะไม่เป็นใจแต่ว่าถ้ามีน้ำใจสักอย่างแล้วเนี่ยมันอยู่ได้นะแม้ว่าจะกันดานแค่ไหนประเทศทิเบตเนี่ยนะ เ, เราก็คงทราบว่าอยู่บนที่สูงสูงที่สุดในโลกประมาณ4 5 0 0 0เมตรนะ0 0 0 0กิโ ล, ลวพวกเรานี่ถ้าขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ย ปวดหัวทันทีเลยนะปวดหัวในเวลาแค่ครึ่งวันหัวใจจะเต้นแรงกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เดินเนี่ยเดินแค่จากนี่ไปประตูเนี่ยเหนื่อยแล้วต้องพักเคยไปเนี่ยนั่งรถแค่ลงไปลงไปตร ง, งไปฉี่นะลงจากรถเนี่ยไปฉี่ข้างทางเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเพราะอากาศเบาบางมากที่นั่นเนี่ยบนบนนั้นเนี่ยไม่มีต้นไม้นะ ต้นม้มันขึ้นไม่ได้มีแต่ยอาเล็กๆแต่มีชาวบ้านเนี่ยมีคนอยู่กันเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านแล้วในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็อยู่กันได้ทั้งที่กันดารมือากาศก็หนาวมากเขาอยู่กันได้ยังไงเขาอยู่กันได้ด้วยเพราะสองอย่างหนึ่งคือน้ำน้ำเนี่ยคือจากจากหิมะน้าจากหิมะเนี่ยมันเจอความร้อมนก็ละลาย พอละลายแล้วเนี่ยก็สามารถจะปลูกหญ้าเล็กๆได้พอมีหญ้าแล้วก็มีวัวก็เรียกจามารีแล้จามารีนี่ก็กินหญ้าก็ก็กลายเป็นปศุสัตว์เป็นอาหารเป็นเนื้อขี้ก็เป็นเชื้อเพลิงอีกอยาหนึงนอกจากน้ําคือน้ําใจน้ําใจทําให้เขาอยู่กันได้เพื่อเพื่อเกือเก่ อ, ก, อ ก, กูนกันและเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นที่มันกันดารแค่ไหนเช่น บนที่สูงในหิมาอย่างพวกเอสกิโมหรือว่าในทะเลซาอย่างพวกบูชแมนพวกนี้เ็อยู่กันได้นะมีความสุขด้วยสุขด้วยอะไรสุขด้วยน้ำใจสุขด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำใจในคณะธรรมยาตราเป็นสิ่งสำคัญมากที่อยากจะเชิญชวนให้พวกเราหล่อเลี้ยงแล้วมันจะดีกับเราด้วยนะมันจะดีกับเรา คนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยคือคนที่ทำรายตัวเองเพราะคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยจะเต็มไปด้วยความโกรธจะเป็นเต็มไปด้วยความโลภได้ง่ายจะมีความผิดหวังได้ง่ายนะเพราะจิตมันขับแคบเจออะไรกระทบก็จะทุกข์เพราะคิดถึงแต่ตัวเองนะแค่เป็นสิวแค่ผิวแห้งผมแตกปลายนี่ก็จะตายให้ได้เพราะว่าไม่สวยนะ คิดถึงแต่ตัวเองแต่ถ้าคิดถึงคนอื่นบ้างโอ้คนหนึ่งเขาลำบากกว่า น, นี้ก็ยังอยู่ได้มีคนหนึ่งพิ ก, การเกิดมาหลือมีแต่หัวกับตัวไม่มีแขนไม่มีขาเขาเขียนหนังสือเรื่องไม่ครบห้าไม่ครบห้าคือมีแต่หัวหนึ่งแค่นั้นแหละแขนสองขาสองไม่มีแต่เขาบอกว่าเนี่ย มีประโยชน์หึงเขบอกว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันแล้วคนที่ทุกเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นสิผิวแห้งเนี่ยลองนึกถึงคนแบบนี้แหละมันจะทําให้เรารู้สึกเลยว่าความทุกของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือนึกถึงเด็กที่เขายากจนนึกถึงเด็กที่เขาไม่มีอะไรจะกินเราจะรู้สึกเลยว่าถึงแม้เราไม่มีโทรศัพท์มือถือถึงแม้เราที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรกลับดีซะอีก าการคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราทุกน้อยลงแต่ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองมากเราจะทุกมากมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเกิดมาเนี่ยไม่เห็นหน้าพ่อไม่เห็นหน้าแม่พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เล็กอยู่กับลงุงแล้วก็อยู่ในความทุกข์ยากลําบากเรื่องนี้เกิดขึ้นมา่อร้อยปีที่แล้วนะอาหารก็ไม่เคยจะมีจะกินหนังสือเรียนไม่ต้องพูดถึงนะ ลุงเลยต้องขายให้สำนักนสํานักเกอิชาเกอิชานี i ก็เหมือนกับโสเพณีแต่เป็นโสเภณีชั้นสูงก็คือต้องมีความสามารถทางด้านการไ ร, ร้ดําเขียนบทตโววีเพื่ อ, อบำรุงบำเรอนะคนรวยแต่ว่าก็อยู่อย่างลําบากถึงแม้เป็นเกอิชาถูกเขาใช้ถูกเ ข, า ก, เขากดนะถูกมามาสั่งเนี่ยกดชีวิตที่ไม่สมหวัง น้องตายพอโตขึ้นมีแฟนแฟนก็ทิ้งมีความทุกข์มากจนรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันไม่ฉันไม่ขออยู่แล้วลำเค็ญเหลือเกินวันหนึ่งก็เลยเดินเข้าไปในป่าหิมะตกนะหิมะตกกะว่าจะให้หิมะเนี่ยทับถมร่างจะได้ตายแต่ปรากฏว่ามีลุงคนหนึ่งช่วยเอาไว้ได้พอลุงได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ นะชื่ออิวาสกิพอได้ฟังเรื่องราวคุณลวงก็บอกว่าคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยย่อมอยากตายทั้งนั้นคนที่คิดแต่ตัวเองเนี่ยย่อมอยากตายทั้งนั้นแล้วคุณหลวงก็แน่วันเนี่ยอยากจะให้แน้เธอกลับไปเข้าไปในเมืองนะแล้วก็ช่วยใครสักคนหนึ่งช่วยวันละคนแล้วถ้าเธอช่วยแล้วเนี่ยเธอยังอยากตายอยู่ให้มาบอกฉันฉันจะทําให้เธอตายสมใจ อิวาสกิได้ได้คิดขึ้นมาก็เลยไปช่วยคนยากคนจนในหมู่บ้านวันแรกก็ไปซื้อหนังสือให้เด็กนะเด็กยากจนวันที่สองก็อ่านหนังสือให้เด็กฟังใหเธอเริ่มเรียนทนัือรู้หัดอ่านเขียนได้ก็ตอนเป็นเกอ์ชาเพราะเกอ์ชานี่ต้องเขียนบทกวีอ่านบทกวีได้ก็ช่วยเด็กยากจนอย่างนี้แหละแล้วก็เลยเลิ ก, ล ก, ลกคิดที่จะฆ่าตัวตายเลย เพราะอันที่หนึ่งพอเห็นเด็กยากจนก็รู้เลยว่าคนยากจนเขาลำบากกว่าตัวสองพอไปช่วยเขามันได้ความสุขกลับคืนมาพระทุเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขเมื่อเราให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขนั้นก็จะย้อนกลับมาสู่เรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานะให้เราถ้าเราฉลาดนะเราต้องมีน้ําใจนะช่วยเหลือกันไม่ใช่เฉพาะ คนที่รู้จักกันมานานแม้แต่เป็นเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันก็ช่วยเหลือกันเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะธรรมยาตราก็อยากจะให้เราได้เห็นความจริงข้อนี้ถ้าเราหมั่นมาดูใจของเราเวลาเราช่วยคนเรารู้สึกอย่างไรเราเห็นเขายิ้มแย้มเรารู้สึกอย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เราเกิดปัญญาที่ตระหนักว่าความสุขเนีย่ยมันไม่ได้เกิดจากการเอามากๆ แต่ความสุขเกิดจากการใหนะ้อันนี้คือสิ่งที่ควรจะได้เรียนรู้เพื่อที่มะช่วยทําให้เราสามารถจะพบกับความสุขได้อย่างแท้จริงเอาละวันนี้เราก็ต้องเดินทางต่อนะก็เส้นทางก็คงไม่ได้ง่ายกว่าเมื่อวานนะคนที่หลายคนก็อาจจะเริ่มจะท้อเริ่มจะพอเจอแดดแรงๆก็จะสู้ไม่ไหวผู้ที่ถอลงเท้าก็อาจจะอาจจะ เท้าก็อา จ, จะยับเยินมากขึ้นแต่ก็ฝากคาถาไว้นะเป็นคาถาที่ได้ที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวานที่ไม่ชีวิต้ออามบกุกบี่เราฟังนะแต่คาถาที่สั้นๆนะแม้กายจะพ่ายแต่ใจไม่แพ้นะให้ท่องเอาไว้นะกายพ่ายแต่ใจไม่แพ้นะเมื่อวานนี้ก็ทนได้สบายมากใช่ไหมวันนี้ก็กายพ่ายแต่ใจไม่แพ้แต่ท้ายทีอยาให้กายพ่ายดีนะ กายยังสู้ไหวอยู่อา่าเราก็พูดกันเท่านี้เช้านี้